บุ๊กท9เก้าสเกาตเดวิเแสดงความเป็นเจ้าของรอดวิวีดมีน к แมวของแฟนดิฉันคิช к าโมเยียปูดรูสุนัขของแฟนดิฉัน สุบากะโมฮดรูฮของเล่นของลูกดิฉันอิรักษ์ยินี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันเซตัวโมฮโกเนั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉันซีอัตโมบิล ь м о ยี коллеги นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันกระดุมของเสื้อหายไปกุญแจโรงรถหายไปไคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย КОМПЮТЕР КЕРІВНИКА з і п с о в а н ว й ХТО ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงที่ฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร ї ї บ, บ้านอยู่ตรงสุดถนน будинок в кінці вулиці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 ค, ค, คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โม ง, ค, ม ค, งคุณหมอทานกี่โมงถึงกี่โมงทำานกี่โมงถึงกี่โมงคุทำานกคองาี่อทำงานกี่โมงคณฑ์อคือะไรคุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง